มาขึ้นปัญหาต่อไปบรมนราชวาทปัญหาก็คือปัญหาว่าพระองค์เป็นพรามหรือเป็นพระราชากันแน่อนนพระเจ้ามิลินก็กราบเรียนถามพระนาคเษนว่าพระคุณเจ้านาคเษนพระตถาคตทรงภาษิทธความข้อนี้ไว้ว่าอหามสมีพิขเวบรหมโนยาจโยโคดูก่อนพิสูจน์ทงหลายเราเป็นพรามผู้ควรแก่การขอพระองค์บอกว่าพระองค์นี้เป็นพรามควรแก่การขอนะ อีกที่หนึ่งพระองค์ก็ยังตรัสไว้ว่าราชหาหามสมิเสละดูกนท่านเสระพรามเราเป็นพระราชาพระคุณเจ้านาเกษตถ้าหากว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่พิฆสูษุทั้งหลายเราเป็นพรามผู้ควรแก่การขอดังนี้จิงไซท่าอย่างนั้นคำที่พระองค์ตรัสไว้ว่าดูกนท่านเสระเราเป็นพระราชาดังนี้ก็ย่อมไม่ถูกต้อง ถ้าหากว่าพระตถาคตตรัสไป ว, ว่าดูก่อนท่านเสลเราเป็นพระราชาดังนี้จริงไซท่าอย่างนั้นคําที่พระองค์ตรัสไป ว, ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราเป็นพราหมณ์เป็นผู้ควรแกร่การขออย่างนี้ก็ย่อมไม่ถูกต้องเพราะเดี๋ยวก็ทรงเป็นกรรษัตริย์บ้างเดี๋ยวก็เป็นพรามบ้างชาติเดียวกันเนี่ยนะจะชื่อว่ามีสองวรนน้หาได้ไหมนะเดี๋ยวก็เป็นวรนน้พราม์เดี๋ยวก็เป็นวันน้กรรษัตริย์ตกลงพระองค์จะเอาอยัางไงแน่เหมือนนั้นนะ ปัญหาแม้นี้ก็มีสองเงื่อนตกถึงแก่ท่านแล้วขอท่านจงคลี่คลายปัญหานั้นเถอดอะไรเพราะฟังแล้วมันขัดกันนะอีกที่หนึ่งบอกเป็นกษัตริย์เอ่ออีกที่หนึ่งบอกเป็นพระราชาก็หมายถึงกษัตริย์อีกที่หนึ่งก็เป็นพราหมณ์ก็หมายถึงคนวรนนะพรามเนี่ยนะซึ่งคําว่าพราหมณ์กับกษัตริย์ระหว่างพุทธพจน์กับความเข้าใจของพระเจ้ามิลินคนละอย่างกันซึ่งพระนาคเกษยก็ชี้แจงให้ฟังว่า ขอถวายพระพรมหาบาพิธพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพาเสร็จความข้อนี้ไว้ว่าดูกรพิสูจน์ทั้งหลายเราเป็นพราหมณ์ผู้ควรแก่การขอดังนี้จริงและได้ตรัสไว้อีกว่าดูก่อนท่านเสรพราหมณเราเป็นพระราชาดังนี้ก็จริงก็เหตุที่ทําให้พระตถาคตทรงชื่อได้ว่าพระองค์เป็นทั้งพราหมณ์เป็นทั้งประราช า, ามมอยู่เป็นพราหมณ์โดยเหตุเป็นพระราชาโดยเหตุอนะมีเหตุ เป็นที่ตั้งให้เรียกว่าพรามก็ได้มีเหตุเป็นที่ตั้งให้เรียกว่าเป็นพระราชาก็ได้พระเจ้ามิลินก็เลยถามต่อไปว่าเหตุที่ทำให้พระตถาคตได้ทรงชื่อว่าเป็นทั้งพรามเป็นทั้งพระราชานั่นะคืออะไรเล่าพระคุนเจ้านาเกษตรพระนาเกษรก็ตอบว่าขอถวายพระพรนันะ อกุศลธรรมอันชั่วช้าทั้งหลายทั้งปวงพระตถาคตทรงลอยไปเสียได้แล้วคําว่าพราหมเนี่ยโดยสับบราหมณะคือผู้ลอยบาปผู้ละบุญผู้ระผู้ละบาปแล้วก็ลอยบุญเหมั้นกันมันโดยเฉพาะเน้นพิเศษคือผู้ลอยบาปไปได้คือละได้แล้วเนี่ยนะคำว่าละคือละด้วยละบาปด้วยสมุดเชทประหาร ละบาดด้วยละบาปด้วยอรหัตตมรักษ์เนี่ยนะพงชชื่อว่าเป็นพรามโดยทั่วไปในพระแต่ปิดกคำว่าพรามใช้กับพระอรหันตนะ์นะนพระอากุศลธรรมทั้งหมดเนี่ยปราดไปแล้ววิคตะไม่มีเหลืออยู่ในจิตใจแม้แต่พังคขณนะ้นขนางนั้นน่ไม่มีเศษเสี้ยวเหลืออยู่ในใจค้างคาอยู่เลยอากุศลธรรมเหล่านั้นเนี่ยนะพินาศหมดแล้วตัดขาดได้แล้ว อกุศลธรรมเหล่านั้นสิ้นแล้วถึงความสิ้นไปแล้วดับแล้วสงบแล้วไม่กําเริบไม่เสริมไม่ซ้ำไม่อะไรอีกเลยเพราะฉะนั้นบัณฑิตจึงขานพระตถาคตว่าพรามเพราะในฐานะผู้ลอยบาปนะผู้กําจัดบาปได้หมดสิ้น <c oughs> ทีนี้อันนี้ในความหมายว่าคําว่าพรามพรามทั่วไปก็คือพรามเนี่ยนะโดยเฉพาะวันลนะพรามเนี่ยเขาเรียกว่าพรามเพราะพวกอาบน้าล้างบาป คนวรนนาพรามถือสาระการอาบน้ําแล้วล้างบาปแต่พระพุทธเจ้าล้างบาปด้วยอริยมรรคเนี่ยนะก็คือน้ําของพราหม์กับน้นําของพระพุทธเจ้าต่างกันน้ําของคนวรรณะพราหมณเขาเชื่อว่าแม่น้ําคงคาเป็นที่ลอยบาปส่วนของพระพุทธเจ้าบอกว่าน้ําคืออริยมรรคน้ําคือพรหมจรร์ในธรรมวินัยของพระองค์นั่นแหละเป็นที่ลอยบาปเพราะฉะนั้นอ่า น, นะตบะและพรหมจรร์ไม่ใช่น้ํา แบบน้ําทั่วไปแต่ก็เป็นเครื่องชําระบาปอากุโสลธรรมไปได้อันนี้พระองค์ก็เลยชื่อว่าเป็นพรามเพราะเป็นผู้ลอยบาปเนี่ยนะเป็นพรามโดยความหมายว่าลอยบาปนี้ความหมายที่หนึ่งที่สองบอกว่าธรรมดาว่าพรามเนี่ยนะคนวันนัพรามเนี่ยย่อมเป็นผู้ล่วงพ้นความสงสัยความแคลงใจและก็ความลังเลใจวันคนพรามไม่สงสัยเลยนะว่าพรหมเป็นผู้สร้าง เขาเชื่อสนิทใจจริงๆเลยว่าพรมคือผู้สร้างฉันใดขอถวายพระพรแม้พระผู้มีพระภาคเจ้ า, ก, าก็เป็นผู้ล่วงพ้นความสงสัยพ้นความแคลงใจพ้นความลังเลใจเพราะฉะนั้นพระตถาคตจึงสงพระนามว่าพราม พระพุทธเจ้าไม่มีความสงสัยในอดีตไม่มีความสงสัยในอนาคตไม่สงสัยในอดีตและอนาคตสังคตะอสังคตะมีประมาณเท่าใดเนี่ยนะสังขารธรรมเหล่าใดที่เคยมีในอดีตสังขารธรรมเหล่าใดที่จะมีในอนาคตเหตุปัจจัยแห่งสังขารธรรมทุกชนิดโปรงไม่มีความสงสัยอยู่เลยเหตุนั้นจึงชื่อว่าเป็นพรามเพราะผู้ล่วงพ้นข้ามพ้นความสงสัยได้แล้ว ส่วนอีกความหมายหนึ่งเนี่ยนะคำว่าพรามในความหมายของพรามก็คือผู้ผู้สลัดออกไปจากภพคติโยนิหลุดพ้นจากมณทินละ อ, องหาผู้ทัดเทียมกันไม่ได้พวกพรามนี่เขาชื่อว่าเมื่อเขาอาบน้ำล้างบาปไปแล้วเนี่ยเขาพ้นจากภพคติโยนิพ้นจากมณทินละ อ, องเป็นผู้ที่หาใครทัดเทียมไม่ได้แม้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงเป็นผู้สลัดออกไปจากภพ ภพสาม น, นะการมาพบรูปประพบอรูณประพบพ้นจากคติทั้ง5้าคือนรกเดรฉานเปรตมนุษย์และเทวดาพระองค์พ้นจากกําเนิดทั้ง4เกิดในครันเกิดในไข่เกิดในเท่าคลายและเป็นโอปปาติกะพระองค์หลุดพ้นจากมนทินคือราคะโทสะและโมหะพ้นจากละอองคือราคะโทสะโมหะหาผู้ทัดเทียมด้วยอธิศีนอธิจิตอ ธ, อธิปัญญาเป็นต้นมีได้ความที่พระองค์เนี่ยนะพ้นจากพบ พ้นจากกิเลสแล้วก็มีคนที่ไม่มีผู้ใดทัดเทียมนี่แหละจึงขนานพระนามพระองค์ว่าเป็นพรามในความหมายที่สามเรียกว่าผู้สลัดออกจากภพส่วนความหมายที่สี่บอกว่าคําว่าพรามเนี่ยหมายถึงเป็นผู้มากด้วยทิพพระวิหารอันยอดเยี่ยมประเสริฐและก็เลิศก็คือผู้ได้ฌานทั้งหลายเพราะว่าคนที่ได้ฌานโดยมากจะเป็นคนกลุ่มวรนนะพรามที่ออกบวชและจะได้ฌานกันนะได้ทิพพระวิหารมีเครื่องอยู่เยี่ยงเทวดาเนี่ยนะ ขอถวายพระพรพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงเป็นผู้มากไปด้วยทิพยวิหารอันยอดเยี่ยมประเสริฐเลิศเพราะฉะนั้นบัณฑิตจึงเรียกพระตถาคตว่าเป็นพรามเพราะอยู่ด้วยทิพยวิหารคือฌานสมาบัติทั้งหลายเนี่ยนะปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานเจตุตชฌานก็เรียกว่าทิพยวิหารเครื่องอยู่เช่นทิพทิพคือพรหมะนะ อีกความหมายหนึ่งคำว่าพรามเนี่ยนะย่อมเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งการศึกษาเรียกว่าท่องเวทสานะสอนพระเวทเนะแล้วก็มีวิธีการรับทานมีการฝึกตนมีการาฝึกคือทรมานตนฝึกตนสำรวมตนเนี่ยนะขนบธรรมเนียมคำอนุศาสตร์เก่าก่อนและประเพณีวงของพรามที่เขาเชื่อว่ามาจากพรหมเนี่ยนะขอถวายพระพรแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็ทรงไว้ซึ่งการศึกษา พระพุทธเจ้าเป็นผู้ศึกษาเสร็จสิ้นแล้วในอธิศีลสิลสึกษาศึกษาเสร็จสิ้นแล้วในอธิ จ, จิตสิกษาและอธิปัญญาศิกษาขณะเดียวกันพระองค์ก็สอนศิกษาสามเหล่านี้เนี่ยนะสอนอแล้วก็บอกกล่าวแนะนําแต่งตั้งบัญญัติเปิดเผยแสดงทําให้ง่ายทําให้ตื้นประกาศวิธีการปฏิบัติในธรรมทั้งหลายเหล่านี้พระองค์นั้นมีวิธีการในการรับทานเนี่ยนะรับทาน ก็คือรับวัตถุทานเป็นต้นพระองค์นั้นมีการฝึกตนเนี่ยนะฝึกตนอบรมตนด้วยศีลเป็นต้นเรียกว่าศีลากายภาวนาจิตตภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนาปัญญาภาวนาเนี่ยกนะ็เป็นผู้ที่มีการฝึกตนพระองค์เป็นผู้มีสังวรเนี่ยนะตั้งแต่สังวรทั้ง ศีลสังวรสติสังวรญานสังวรคันติวิริยะสังวรเป็นต้นพรองอยู่ตั้งอยู่ในความสังวรพระองค์อยู่ในธรรมเนียมคือข้อวัดปฏิบัติประเพณีวงของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในปางก่อนพระองค์นั้นคําอนุสอนเก่าก่อนเขาเรียกว่าคําสั่งสอนของพระองค์ก็คล้ายกับคําสั่งสอนแต่เก่าก่อนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ในอดีตเหตุที่พระองค์เนี่ยศึกษา ศึกขาสามสอนอคําสอนของพระองค์แล้วก็รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวงเหมือนกับพระพุทธเจ้าในปางก่อนพระองค์จึงชื่อว่าเป็นพราหมณ์เพราะเป็นผู้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวงของพระพุทธเจ้าส่วนอีกความหมายหนึ่งความหมายคําว่าพราหมณ์โดยทั่วไปมีความหมายว่าเป็นผู้มีปกติเข้าชานด้วยสุขวิหาร ฌานที่ยิ่งใหญ่เนี่ยนะก็คือเข้าฌานมีความสุขอยู่กับฌานเช่นอัปปมัญญาอยู่ด้วยเมตตากรุณามุ้ทีตาอุเบกขาแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็เป็นผู้มีปกติเข้าฌานด้วยสุขวิหารฌานที่ยิ่งใหญ่เช่นอัปปมัญญาฌานเมตตาอัปปมัญญากรุณามุ้ทีตาอุเบกขาอัปปมัญญาเพราะเหตุนั้นความที่พระองค์เนี่ยนะเข้เาฌานสุขวิหารฌานเนี่ยจึงเรียกพระองค์ว่าเป็นพราหมณ์ ส่วนความหมายอีกความหมายหนึ่งของคําว่าพรามพรามทั่วไปหมายว่ารู้จักอภิชาตเผ่าพันธุ์ของสัตว์เออนี่เผ่านี้เรียกกระสัเรียกพรามเรียกแพทเรียกสูตรเขาบัญญัติให้เองหมดนะเขาแต่งตั้งให้หมดเลยเออถ้าอย่างงี้แกเป็นกริย์ไปแต่แกมีพฤติกรรมศึกษาเล่าเรียนตระกูลวงแกเป็นอย่างงี้แกเป็นพรามนะถ้าแกมีตระกูลวงมีการศึกษาเล่าเรียนอย่างงี้แกเรียกสูตรเออแกนี่เรียกว่าจันทานจันทานกลุ่มไหนระดับไหนก็แบ่งกันไปอีกเป็นพวกนี้แค่ารู้จักเผ่าพันธุ์แบ่งแยกตระกูลให้คนอื่นเเบ็็ดดสรจหม พวกนี้ก็เลยเรียกว่าเป็นพรามและขณะเดียวกันก็เหมือนกับว่าตัวเอรู้จักวิธีการท่องเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่ในคติทั้งปวงะนะว่าเหมือนกับว่ามีรู้ว่าการเสกการสรรการบันดาลของผู้เป็นใหญ่เป็นอย่างไรเนี่ยนะขอถวายพระพรแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็รู้จักอภิชาติของสรรพสัตว์ทั้งหลายรู้นะว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเป็นต้นเนี่ยนะ รู้ความเป็นไปของสัตว์ทั้งหมดในวัฏฏะในภูมิสามในกาลมภพบเป็นพบน้อยรูปประพบอารูปประพบเป็นพบใหญ่ในคติคือนรกคติคือเดรัจฉานคติคือเปรตคติคือมนุษย์คติคือเทวดาและพระองค์รู้ข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นจากคติทั้งห้ารู้จักธรรมะที่ถ่ายถอนคติทั้งห้าประการเหล่านั้นเพราะฉะนั้น จึงขนานพระนามพระองค์ว่าเป็นพรามเป็นพรามเพราะรู้จัก อ, อภิชาติรู้จักการท่องเที่ยวไปในวั ต, ตะถ้ากล่าวตามนั้นก็คือแทงตลอดอริยสัจนั่นเองโดยอัตะสูงสุดก็คือโปรงแทงตลอดอริยสัจพระองค์จึงชื่อว่าเป็นพรามอธิบายว่า ขอถวายพระพรพระนามว่าพราหมณ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้านี้ไม่ใช่นามที่มารดาตั้งให้ไม่ใช่นามที่บิดาตั้งให้ก็แปลว่าไม่ใช่เชื่อมาตามโคตรตระกูลตามวันณะตามเผ่าพันธุ์เผ่าพันธุ์แบบชาติชั้นวันนะคําว่าพราหมณ์ของพระผู้แต่เจ้าไม่ได้หมายมาตามแบบมาทางฝ่ายพ่อมาทางฝ่ายแม่พระพราหมณ์ในโลกเขาเชื่อว่าคนที่อยู่ในวรนนะพราหมณ์ก็คือบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายพ่อและ ฝ่ายแม่มาเจ็ดชั่วรุ่นเจ็ดชั่วยุคกว่างันแต่พระองค์ไม่ได้เป็นพราหมณ์ในลักษณะนั้นประองเป็นพราหมณ์โดยการปฏิบัติใช่ไหมเพรานพระองค์นั้นได้พระนามว่าพราหมณ์ไม่ใช่มาจากพ่อแม่พี่น้องชายตั้งให้พี่น้องหญิงตั้งให้หรือว่าชื่อที่คนสนิทตั้งให้ญาติสาโลหิตตั้งให้หรือพวกสมณะพราหมณ์เป็นต้นตั้งให้ไม่ใช่ชื่อที่ เทวดาเป็นต้นตั้งให้เลยพราหมณ์ของพระพุทธในความหมายพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าคนมาเสกให้มาตั้งให้นะมาบัญญัติติดตั้งตราตั้งให้ไม่ใช่เพราะว่าพระนามคําว่าพราหมณ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้านี้มีในที่สุดแห่งวิโมกคําวิโมกเป็นชื่อของอรหัตตะมักเนี่ยนะคำว่าที่สุดเป็นชื่อของอรหัตตะผลมันที่สุดแห่งวิโมกอรหัตตะมักก็หมายถึงอรหัตตผลนะ คำว่าพรามของพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ในระดับอรหั ต, ตผลคำว่าพรามนั้นหมายถึงอรหั ต, ตผลคำว่าพรามนี้เป็นสัจชิกาบัญญัติเกิดเพราะบัญญัติทําให้แจ้งอรหั ต, ตผลอริยผลทั้งหลายเนี่ยเป็นสัจจิกาแต่ประทำเป็นธรรมที่ทำควรทําให้แจ้งอรหั ต, ตผลพระองค์ก็ทําให้แจ้งเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะเป็นสัจชิกาบัญญัติพระองค์เนี่ยปรากฏขึ้น นิพพานสัจจิคิริยาเอตัมมังคามุตตะมังเนี่ยนะนิพพานสัสนิพพานสัจจิคิริยาเนี่ยนั่นหมายถึงอรหัตผลเนี่ยนะท่า น, นพระองค์ก็ทําให้แจ้งอรหัตตผลความหมายของคาว่าพรามณ์คือผู้ผู้ที่ทําให้แจ้งอรหัตผลนั่นเองเพราะเหตุสักว่าเป็นบัญญัติที่ปรากฏขึ้นตามตามตามสภาพที่มีอยู่จริงคืออรหัตผลเนี่ยนะ โดยเป็นพระนามที่ทรงได้มาพร้อมกับการที่ทรงย่ำยีกองทัพมารห้ากจัดอกุศลธรรมทั้งหลายอันชั่วชา้อาอกุสลธรรมเหล่านั้นทั้งที่ปรารภอดีตอนาคตและปัจจุบัน น, นะที่พระองค์เป็นพรามนามอันนี้หมายถึงว่ากําจัดอกุศลทุกชนิดและได้มาซึ่งสัพพัญยุตยามที่โคนโพพฤกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่า ยดาฮาเวเนี่ยนะปาโตวพววันติบราหมณนะเขาจะมีคําว่าพรามอยู่ตั้งแต่คาถาที่พระองค์อุทานหลังจากพิจารณาอริยสัจเนี่ยนะก็ใช้คําว่าพรามผู้เพียนเพ่งคําว่าพรามตัวนั้นเป็นชื่อของพรามผู้ลอยบาปมันสูตรแรกๆต้นๆในโพที่สูตรปฐมโพที่สูตรเป็นต้นหรือแม้กระทั่งในหง ห, ง ห, งหงกัดสูตรเนี่ยนะในอุทานเนี่ยนะลยหลายๆสูตรก่อนหน้าแรกพระองค์ปฏิญาณความหมายของ ความหมายของคําว่าพรามณ์พนนั้คุณสมบัติของพราหมณ์ก็คือพระอารหันต์นั่นเองซึ่งพระองค์ก็เป็นพรามณ์ในความหมายว่าเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะอันนี้ความหมายที่ทบอกว่าเหตุที่ทําให้พระองค์ปฏิญาณว่าเป็นพรามเนี่ยนะเป็นพราหมณ์ที่บอกว่าอาหมัสมิพิขเวบบรามโนยาจโยโคพระองค์เป็นพราหมณ์ผู้ลอยบาปผู้ควรแก่การขอ พระเจ้ามิลินก็ถามต่อไปว่ า, า ท, ที่ความหมายว่าราชาหามัสมิเสระเนี่ยนะก็บอกว่าพระคุณเจ้านาเกษตรเพราเหตุไรพระองคอ์จึงมีการขนานเรียกขานพระตถาคตว่าพระราชาเล่าพระราชาเนี่ยโดยสั์แปลว่าผู้สงเคราะห์ประชุมชนด้วยสังฆะวัตถุสนะีผู้ที่สงเคราะห์ประชุมชนด้วยทานติยวาจาอัฏฐจริยาและก็สมานตาตา อันนะั้นก็คือหนึ่งข้อแรกเลยนะก็คือทานคือพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ให้นนะเป็นผู้ที่ให้ประชุมชนทั้งหลายเป็นผู้ให้อย่างที่สอง อ, อัฏฐเจริยาการกระทาทั้งหมดของพระองค์เนี่ยเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนแล้วก็ติยวาจาก็คือเป็นผู้ที่ให้โอววาดแนะนำตักเตือนสั่งสอนติยวาจาก็คือผู้ให้โอววาดแนะนาคาสอน แล้วก็สมานะตาตาพระองค์เป็นผู้วางต น, น, น, นในฐานะที่เหมาะที่ควรเรียกว่าสมานะตาตาพระองค์ก็เลยชื่อว่าเป็นพระราชาสับว่าพระราชามีความหมายว่าผู้สงงครอ์ประชุมชนหรือประชาชนด้วยสังฆะวัตถุสี่ฟันธนากเกษตก็เลยตอบว่าขอถวายพระพรมหาบาพิษธรรมดาว่าพระราชาพระองค์ใดพระองค์หนึ่งย่อมครองราชสมบัติปกครองชาวโลก ขอถวายพระพรแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ปกครองราชสมบัติโดยธรรมนะพระองค์นั้นทรงปกครองชาวโลกพร้อมทั้งเทวดาทั้งมารทั้งพรหมทั้งหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ในหมื่นโลกธาตุเพราะเหตุนั้นบัณฑิตจึงขนานพระตถาคตว่าเป็นพระราชาเพราะพระองค์ปกครองขอไปเพราะพระองค์ปกครองราชสมบัติของพระองค์โดยธรรม ที่มีอยู่ในโลกและพร้อมทั้งเทวโลกธรรมดาพระราชาในโลกนี่มีอะไรเป็นราชราชสมบัติพระราชาในโลกแก้วเวนเงินทองเรือนคลังมีช้างมีม้ามีกองทัพมีอะไรเป็นต้นน่ยนะจึงได้เหตุนามว่าพระราชาเพราะเป็นผู้มีราชสมบัติปกครองสมบัติประชาชนเป็นต้นโดยธรรมส่วนพระพุทธเจ้าพระองค์มีอะไรเป็นสมบัติพระองค์จึงชื่อว่าเป็นธรรมราชาก็พระองค์มีโพธิปักตยธรรม อันรายละเอียดเกี่ยวกับเรียกว่าพระธรรมราชาเนี่ยนะมีเล่มต่อไปเนี่ยเล่มสามเนี่ยนะเนื้อหารู้สึกว่าพรมาชอบเล่มสามมากในจํานวนสามเล่มเนี่ยนะเพราะเล่มสามเนี่ยกล่าวถึงว่าลักษณะของพระพุทธศาสนาพระองค์เป็นเช่นกับพระธรรมราชาพระองค์สร้างสัตทธรรมนครขึ้นนะนครอาณาจักรของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะแต่ว่าวิธีคิดมาแต่พระองค์มีรัตนะมีทรัพย์ คือโพธิปัจิยธรรมนะนะรัตนะของพระองค์ทรัพย์ของพระองค์ก็คือสติปัฏฐานเป็นต้นมันพระองค์จึงเป็นพระราชาปกครองประชาชนคืออริยะอริยสาวกของพระองค์โดยธรรมนะอริยสาวกเหล่านั้นไม่ว่าจะอยู่ในโลกพร้อมทั้ง เทวโลกท่านนี่หมื่นจักรวาลเพราะว่าเทวดาในหมื่นจักรวาลนี่มาฟังธรรมนั้นอำนาจรัศมีของพระองค์เนี่ยปกครองโดยธรรมเนี่ยทเทวดาทั้งหลายชั่วหมื่นจักรวาลเหงือนกันท่านอำนาจของพระองค์นี่แผ่กว้างใหญ่ไพศาลยิ่งนักเหมือนกันพระองค์ก็เลยเชื่อว่าพระราชาเขาเลยเรียกกันเรียกพระองค์ว่าพระธรรมาราชาเ <c oughs> พราะปกครองโดยธรรมน่ยนะขอถวายพระพรธรรมดาว่าพระราชาเนี่ยนะ ครอบงามหมู่มนุษย์ทุกคนทรงทำหมูญาตให้บันเทิงทำศัตรูให้เศร้าโศกทรงยกสเสวตฉัตรอันขาวสะอาดปราศจากมนทินที่มีคันถือเป็นไม้แก่นมั่นคงประดับด้วยซี่ไม่ต่ำกว่าร้อยนำมาซึ่งพระยศและพระสิริที่ยิ่งให น, น่นก็เหมือนกับพระราชาทั่วไปที่เราเห็นเห็นทราบอยู่แล้วเนี่ยนะขอถวายพระพร แม้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงทำกองทับมารผู้ปฏิบัติผิดให้เศร้าโศกพระพุทธเจ้าไม่ได้ทำให้มารปลื้มใจสบายใจยิ้มใจหัวเราะร่าเริงดีใจมารจะดีใจหน่อยตอไ น, น, นไหนได้ไหม ตอนที่พระองค์อธิษฐานดับขันปริณีพานเออตายจะได้ก็ดีอะไรเงี้ยก็ดีใจตรงนั้นแหละที่เหลือนี่มานไม่สบายใจมาตลอดเลยมันก็เลยเรียกพระพุทธเจ้าผู้ทํามานให้เศร้าโศกอนะไรงี้ยน่ะพญามานเนี่ยนะเอ่อท้าปรนิมิตตวสวตีนะนะั้นอ่ะไม่สบายใจมานานมากเลยตั้งแต่พระพุทธเจ้าออกบวชเป็นต้นมาไม่เคยสบายใจเลยเนี่ยนะคำนวนว่ามานเครียดมานแคเระวามานเศร้าโศกมาตลอดเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทํามานพร้อมทั้งกองทัพให้เศร้าโศก ทรงรรเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้อยู่ในสัมมาปฏิปทาข้อปฏิบัติชอบให้บันเทิงนะผู้ที่ปฏิบัติอยู่ในศีลอินทรีสังวรโพชเนมตันยุตาชาิริยานุโยกเป็นต้นเนี่ยปราบเลื่มบันเทิงใจนะพระสาวกของพระองค์นี่ก็เป็นผู้ที่ปราบเลื่มปีติและโสมนัสเนี่ยนะ ทรงยกสเสวตาฉัตรอันขาวสะอาดปราศจากมนทินคือวิมุตต์อันประเสริฐเป็นยอดคืออรหัตตผลวิมุตติเนี่ยนะพระองค์เนี่ยสเสวยอธิรั้อวอยู่ในสเสวตาฉัตรคืออรหัตผลเป็นพระธรรมราชาอย่างบางคนเนี่ยอย่างถ้าเป็นสาวกทั้งหลายก็เหมือนกับเป็นอํามาต์เป็นข้าราชการเป็นอะไรธรรมดาแต่พระองค์นั้นอรหัตผลของพระองค์นี่เป็นที่ตั้งแห่งสัพพันอยูทุกชนิดเนี่ยนะ อย่างสาวกทั้งหลายทั่วไปเนี่ยเมื่อมีการตรัสรู้บางท่านก็สุขาวิวปัสสกะบางท่านก็วิชาสามอภิญญาสี่ปฏิสัมพิทาหกเป็นต้นยืออย่างเก่งก็เท่กเทากับภาษารียบดูนะแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่เท่ากับพระพุทธเจ้าอรหัตผลของพระองค์นี่จึงยอดเยี่ยมเนี่ยนะเรียกว่าอนุตรังอภิสัมโพทิงเนี่ยนะนะคือมรรคผลนิพานสัพพัญยุตยานของพระองค์นี่จึงชื่อว่ายอดเยี่ยมสูงสุดทั้งหมดพระองค์จึง ช, ชื่อว่าเป็นพระธรรมราชา พระองค์นั้นมีที่คันถือเป็นไม้แก่นไม้แก่นของพระองค์ก็คือขันติเพราะพระองค์นี่มีแก่นคือขันติเนี่ยนะถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่รู้ใครจะไปทนอะไรได้ขนาดนั้ น, น, นตลอดระยะเวลา45่สิบาพรรษาในการบําเพ็ญพุทธกิจเนี่ยนะถ้าพูดถึงว่าถ้าเป็นธรรมดาทั่วไปไม่รู้ใครจะไปทําอย่างนั้นทําไมไปอดทนขนาดนั้นทําไมเนี่ยซึ่งความอดทนของพระองค์เช่นกับแผ่นดินเนี่ยนะความอดทนของพระองค์นี่เหมือนกับแผ่นดินจริงๆ พระองค์นั้นประดับด้วยซี่ตั้งร้อยคือพระยานอันประเสริฐเนี่ยนะก็พระยานของพระองค์เนี่ยเหมือนกับซี่ที่มันแผ่แผ่แแ่่ออกไปรอบตัวนะสมมุติถ้ามองร่มตัวร่มไอ้ที่คลุมคลุมข้างบนเนี่ยสีขาวเหมือนอรหัตผลอัะนะไอ้ตัวคันคันคันร่มเนี่ยนะคันคันนั่นอนะเหมือนกับขันติแล้วก็ซี่ที่ซี่ไปทําให้อ่าแผ่นผ้ามันขยายออกอันนั้นเหมือนกับปัญญาปัญญาของพระองค์เนี่แผ่ไปทั่วไปหมด เพราะพระองค์มีปัญญานี่แหละนำมาซึ่งยศคือมีบริวารทั่วหมื่นจั ก, กรวาล น, นะบริวารของพระพุทธเจ้ามีทั่วหมื่นจักรวาลและพระสิริเพราะพระองค์เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ในหมื่นโลกาธาตุคือเทวดาและมนุษย์ในหมื่นโลกาธาตุนี้เลื่อมสายยิ่งนักในพระพุทธเจ้าเหตุที่พระองค์นั้นนะนะมีคุณสมบัติดังกล่าวไปบัณฑิตทั้งหลายจึงขนานนามพระตถาคตว่าเป็นพระราชา ธรรมดาว่าอีกในหนึ่งบอกว่าธรรมดาว่าพระราชาย่อมทรงเป็นผู้ที่ชนทั้งหลายมากมายเข้าไปเฝ้าหรือทาผู้พบเห็นน่นะผู้เดียที่พบเห็นก็ถวายบังคมเพราะใครเห็นพระราชาต้องถวายบังคมเป็นต้นขอถวายพระผรแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นผู้ที่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมากมายผู้เข้าไปเฝ้าหรือพบเห็นควรถวายบังคมแม้เพราะเหตุ น, นั้นบัณฑิตจึงเรียกขานพระตถาคตว่า พระราชาเพราะว่าพระองค์เป็นที่ตั้งแห่งการบูชาเคารพกราบไหว้ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอะเทวดาเป็นผู้ที่คนทั่วไปบูชากราบไหว้ชั้นใดพระองค์ก็เป็นผู้ที่เทวดายิ่งกว่าเทวดาบูชาคําว่าเทวดานี่หมายถึงสมมุติเทพเป็นต้นเนี่ยนะสมมุติเทพคือพระราชามหากษัตริย์หมายถึงสมมุติเทพพระราชาเหล่านั้นก็เคารพพระพุทธเจ้าแล้วก็เทวดาชั้นจ่าตุ่มผู้เป็นเทวราชาก็เคารพ พระพุทธเจ้าเทวดาชั้นดาวดึงสรุบวราชาทั้งหลายที่เป็นพระราชาทั้งหลายในผู้ที่ทรงคุณธรรมทั้งหลายจะเคารพพระพุทธเจ้าเนี่ยนะอีกความหมายหนึ่งธรรมดาคำว่าพระราชาเนี่ยเพราะทรงโปรดปรานผู้บุคคลใดผู้ใดผู้หนึ่งที่ทำถูกต้องทำถูกใจนะพระองค์ทรงให้พรประเสริฐทำให้เขาพอใจด้วยสิ่งที่เขาต้องการ คือพระองค์ช่วยเหลือเขาได้ทุกอย่างตามที่เขาปรารถนาฉันใดขอถวายพระพรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงโปรดปรานบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งผู้ปฏิบัติถูกต้องด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแล้วพระองค์ก็ให้พรอันประเสริฐที่ยอดเยี่ยมคือความหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงเป็นชื่อของอรหัตตะผลท่านผู้ใดทาถูกต้องพระองค์อัยืน่นหยิบยืน่นอรหัตตผลให้มา และทรงทำให้พอใจด้วยพรที่ต้องการได้อย่างไม่เหลือเช่นวิชวชาสามอภินยาหกวิโมกแปดเขาตั้งความปรารถนาเป็นเอตทัคคะเหล่าใดมาพระองค์ก็ให้พอรอย่างที่เขาปรารถนาอย่างที่เขาบอกว่าทำไมไม่แต่งตั้งพระอัญยาโกณทัญยะเป็นอัครส า, าวกละทำไมให้แกภาษาริบุตรก็บอกว่าพระอัญยาโกณทัญญะท่านตั้งความปรารถนามาเพื่อที่จะเป็น เอตทัคะในด้านรัตตันยูไม่ได้ตั้งความปรารถนามาเป็นอัครสาวกพระองค์ก็ให้เขาตามที่เขาต้องการนะพระองค์ให้ ส, ม, สมความต้องการเช่นแต่งตั้งพระอริยเจ้าทั้งหลายพระองค์ก็ให้ตามความต้องการแต่งตั้งตามความต้องการของบุคคลเหล่านั้นเรียกว่าให้พรตามที่เขาต้องการอย่างไม่เหลือนะบัณฑิตก็เลยขนานนามพระองค์ว่าพระราชา ต่อไปบอกธรรมดาพระราชาย่อมทรงติเตียนรับสั่งข้าให้กำจัดบคุคคลผู้ละเมิดข้อบังคับมา น, นะพระราชาในโลกนี้ก็มีอะไรนะกฎหมายประเทศใช่ไหมกฎหมายบ้านเมืองปฏิบัติตามกฎหมายฉันใดขอถวายพระพรถ้าเกิดภิกษุอาลชชีที่เปรียบเหมือนโจรเนี่ยนะละเมิดกฎบังข้อบังคับในพระศาสนาคือศิกขาสามของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ย่อมเป็นผู้ถูกดูหมิ่นให้เก้อเขินพระ อ, องค์ตำหนิจริงๆเลยนะนนี้ ถูกตำหนิเตเจียนแล้วก็ในที่สุดก็ให้เคลื่อนไปจากาศาสนาของพระชินวร์ให้เคลื่อนเลยนะว่ า, าปราชิโกโหติอาสังวาโซนะเธอเป็นผู้ปราชัยนะไม่มีสังวาสร่วมกับพระพิสุทั้งหลายก็ให้เคลื่อนจากาศาสนาเลยให้เคลื่อนจากเพศแห่งพระพิสุแต่ก็ไม่ได้ว่าถึงกับพ้นพ้นไปแผ่นดินคือพระพุทธศาสนาไม่ได้อย่างนั้นแต่ว่าให้เคลื่อนจากเพศแห่งพระพิสุไปอยู่ในสัมเมนธเในสัมเมนนเป็นต้น อันนี้ความหมายของพระราชาก็คือสามารถมีอำนาจบังคับตามตามอะไรตามบทบัญญัติตามสิษยาบทที่พระองค์บัญญัติเอาไว้นั่นเองประเด็นสุดท้ายบอกว่าธรรมดาพระราชาเมื่อทรงครอบครองราชสมบัติโดยธรรมเนี่ยนะพระราชาที่ปกครองบ้านเมืองโดยธรรมนั้นจะแสดงสิ่งที่เป็นธรรมและไม่ใช่ธรรมประกาศถึงอะไรถูกต้องอะไรไม่ถูกต้อง ด้วยคำอนุสาตตามประเพณีแห่งพระราชาผู้ทรงธรรมพระองค์กรกนพระราชาพระองค์กรกรที่ดำรงอยู่ในธรรมมีการปฏิบัติสั่งสอนโอวาทพร่ำสอนประชุมชนฉันใดพระราชาองค์หลังๆที่ตั้งอยู่ในธรรมก็ฉันนั้นพันพระราชาก็เป็นที่ชื่นใจเป็นที่รัก เป็นที่น่าปรารถนาของผู้คนทั้งหลายพระราชาก็สามารถดำรงอยู่ในสกุลวงได้ตลอดกาลนานจนสิ้นพระชนชีพฉันใดขอถวายพระพรพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ก็แสดงสิ่งที่เป็นธรรมและมิใช่ธรรมแสดงกุศลธรรมและอะกุศลธรรมอะไรเป็นกุศลธรรมอะไรเป็นอกุศลธรรมพระองค์ก็พร่ำสอนชาวโลกด้วยคาอนุสาวร์ ตามสั่งสอนด้วยอธิศีณอธิจิตอธิปัญญาตามประเพณีแห่งพระสยามภูสำ ม, มาสำพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆพระองค์ก็เมื่อพระองค์ทรงทาพุทธกิจเช่นกับพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆพระองค์จึงเป็นที่ชื่นใจเป็นที่รักเป็นที่ปรารถนาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะพระองค์ก็สามารถทาพระศาสนาเนี่ยนะคือศิกขาสามเนี่ยให้เป็นไปตลอดกาลนาน ด้วยกําลังแห่งพระคุณธรรมของพระองค์เนี่ยนะด้วยกําลังคือพระคุณเช่นอาสาธารณะยานเป็นต้นเพราะฉะนั้นบัณฑิตจึงเรียกขานพระตถาคตว่าพระราชาขอถวายพระพรมหาบพิษเหตุที่ทำให้พระตถาคตได้ชื่อว่าเป็นทั้งพรามเป็นทั้งพระราชามีหลายอย่างลาหลายประการตามที่กล่าวมานี้ ภิกษุผู้มีวิหารแสนละเอียดอ่อนพนานาเหตุนั้นไปแม้ตลอดกลับก็ไม่อาจทําให้สิ้นสุดได้คืออาศัยเหตุสองสับเนี่ยนะขยายแม้กระทั่งว่าถ้ารู้คุณของพระพุทธเจ้าบรรยายสองคำเนี่ยคาว่าพราหมณ์กับคําว่าพระราชาเนี่ยบรรยายจนถึงตลอดกลับกลับก็ไม่สิน้นเออกลับก็สิ้นไปก่อนแต่พระพุทธคุณก็ยังไม่จบสิน้นเพราะฉะนั้นประโยชน์อะไรด้วยการพนานาถึงเหตุให้มากเกินไปเล่า พราะฉะนั้นก็ฟังแต่ยอ่อก็พอเนี่ยนะเท่าที่ฟังมาก็ฟังแบบยอ่ยอๆก็พอแล้วเนี่ยนะฟังอะไรพิสดารมนะั้ทพิสดารก็ท่องพระตไตรปิฎกก็นั่นแหละคุณพระพุทธเจ้าทั้งหมดแหละพระเจ้ามิลินก็ยอมราวภาษาทุดีจริงพระคุณเจ้านาเกษตรครับพระเจ้าขอยอมรับคําตามที่ท่านกล่าวมานี่นะยอมรับมานนะ